เราก็ดีนะ ม, มาทำวัดเช้านะมาตั้งใจฝึกหัดตัวเราเองนะเราก็ฝึกหัดในสิ่งที่นะ่ะเป็นสิ่งที่มันดีๆเนี่ยแหละนะการสวดมนต์ก็คือการน้อมนำธรรมะนะ่ะเข้ามาใส่ตัว คือเวลาเราสวดนะก็เหมือนเราสอนตัวเองนะสอนย้ำไปเรื่อยนะสอนย้ำไปเรื่อยนะเวลาเราเห็นนะคนเกิดแก่เจ็บตายนะเห็นการพัดพลาดสูญเสียเห็นสิ่งต่างๆที่มันเป็นทุกข์นะเราก็น้อมเข้ามาใส่ตัวเนี่ยมันก็คือการสอนตัวเราเองนะ อย่างสมัยพุทธกาลนะบางทีพระอหรหันนะ ท, ท่านยังไม่เป็นพระอหรหันต์หล้วนะแต่ท่านพิจนาณานะเห็นเห็นใบไม้ร่วงนะท่านก็บรรุธรรมจากการเห็นใบไม้ร่วงก็มีนะคือน้องเข้ามาเห็นว่าออธรรมชาติในกายในใจเนี่ยก็คือสภาวะเหมือนใบไม้ร่วงนะ มีความเสื่อมไปดับไปนะมีความเป็นทุกข์นะเหมือนกันอันนี้คือเป็นตัวอย่างหนึ่งที่ท่านน้อมเอาธรรมชาตินะมามาสอนตัวเราเองนะหรือบางทีถ้าเราไม่หรือบางครั้งเราก็น้อมพิจารณาจากร่างกายของเราเองก็ได้นะอย่างที่เราสวดเมื่อสักครู่เนี่ยนะ สวดบทเรียกว่าธวติงสาคือการพิจารณาร่างกายมันก็มันก็ประกอบด้วยนี่แหละนะอวัยวะน้อยใหญ่นะสามสิบสองประการน ะ, ะล้วนแต่เป็นสิ่งที่มันไม่น่าดูไม่น่าเอาทั้งนั้นเลยที่จริงมันก็ถ้าเราพิจารณาแบบนี้บ่อยมันก็จะทำให้เราคลายความกำหนัดนะ ทายความกำหนัดโดยเฉพาะทางการนะต่างๆนะทั้งทั้งหยับๆก็ดีหรือว่าการภายนอกภายในก็ดีเนะี่ยมันทำให้เราคลายทอนนั้นไปได้นะเพราะว่าร่างกายนี้ก็ดีหรือร่างกายกของคนอื่นก็ดีนะมันก็ประกอบด้วยเนี่ยแหละนะเป็นหนังหุ้มนะหนังหุ้มอวัยวะต่างๆน้อยใหญ่ ทังนั้นนะไม่ได้เป็นของน่าดูน่าชมน่าเอาเลยนะแต่คนทั้งโลกก็หลงเรื่องเรื่องนี้เยอะนะการที่เราอยู่วัดกัน ร, รี่เรเป็นนักบวดก็การเอาเรื่องพวกนี้มาพิจารณาไปบ่อยมันก็ดีนะทำให้เราคลายความกําหนัดตระนั้นไปไดนะ้นี่คือการน้อมนะ น้อมนำทรนะมาพิจารณามาสอนตัวเราเองนะอันนี้จะใช้ว่าเอาเอาไว้ใช้แก้อารมณ์ก็ได้นะนะการพิจารณาอสุภะนะก็เพื่อแก้ด า, าคะนะหรือขณะที่โกรธนะก็ใช้พิจารณาเมตตาพิจารณาด้านดีนะของเขา มาแก้ความโกรธมาแก้โทสะนะหรือว่าเราหลงไปเรื่องอื่นนะหรือว่าเราเราไปอยากมีอยากได้อะไรก็พิจารณาคุณโทษของมันก็ได้นะมันก็จะทำให้เราน้อมกลับมาใส่ตัวหาตัวได้ง่ายเป็นการลดกำลังของกิเลสลงไปนะอันนี้ก็เอามาช่วยได้นะ แต่อาจจะไม่ต้องว่าตลอดเวลานะถ้าทําตลอดเวลามันจะเป็นมันจะเป็นทําแบบสมถะเป็นหลักนะแต่ถ้าเราเอามาแค่ช่วยเป็นบางขณะก็พอเวลาที่กิเลสมันแรงนะก็าน้อมข้ามาใส่ตัวเช่นเวลาเราเราหลงหลงโลกเยอะยๆนะนั่นนี่เยอะยะนะเราพิจารณาเช่นความตายนะเข้ามามันก็ทําให้เรา คล้ายๆความอยากได้อยากเป็นอยากมีอยากเอาลงไปได้เยอะอันนี้คือเรามาเป็นตัวช่วยนะแต่ตัวหลักของเราจริงๆคือเรามาฝึกฝึกเจรินสตินะการฝึกสติจริงๆถ้าถึงขั้นฝึกสติจริงๆเนะี่ยไม่ต้องใช้ความคิดนะไม่ต้องใช้ความคิดน้อมในการ พิจารณาอะไรทางนั้นหรือไม่ต้องใช้ความคิดในการสอนตัวเองทางนั้นเพราะว่าการขณะที่คิดตอนนั้นมันก็มันก็คือการปรุงแต่งนะการปรุงแต่งอย่างหนึง่งเช่นอืมเช่นเกิดความอยากขึ้นมาก็อืมาคิดให้ความอยากไม่ดีนะเกิดความคิดขึ้นมาไ อ, อ้ความคิดไม่ดีต้องละมันต้องตัดมันเสียนะนะ อะไรพวนีนะ้มันมันไปคิดมันไปคิดซ้อนคิดไปแต่ถ้าเราจะเน้นฝึกสติจริงนะเราเน้นไม่ต้องไม่ต้องทำอะไรเลยนะแค่ดูมันดูแบบตะพื้นตะพื้นไปเลยนะกิเลสก็ดีกุศลก็ดีนะมีค่าเท่ากันนะแต่ถ้าแบบทำสมถะเนี่ยกิเลสไม่ดีนะกุศลดีนะ นี่คือมันจะเป็นแบบนี้นะเราก็จะเปลี่ยนกิเลสให้มันเป็นกุศลไปแต่การเจรสตินะกิเลสก็ดีกุศลก็ดีนะคือแสดงสภาวะเหมือนกันคืออาการเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปสติก็คือหน้าที่ดูอย่างเดียวนะดูมันไป ดูแต่พื้นๆไปนะเห็นสิเห็นอาการที่เกิดขึ้นกับกายเห็นอาการที่เกิดขึ้นกับใจดูทุกอย่างเป็นเพียงแค่อาการนะเท่ากันนะแล้วก็คอสังเกตนะเวลาจิตมันจิดบางทีมันก็จิตจิดเปิดสอนตัวเองนะตอนอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีอันนี้ถูกอันนี้ผิดอันนี้เป็นเหตุอันนี้เป็นผลอันนี้เราชอบอันนี้เราไม่ชอบอะไรเงี้ยนะ ไอ้คนนี้คือมันเป็นอาการที่มันเกิดตามมาอาการที่มันเกิดตามมาเนี่ยมันก็ห้ามไม่ได้เหมือนกันนะเราก็เพียงแค่รู้ตามมันเฉยๆอีกทีนหนึ่งนะมันคือปัจจุบันธรรมที่มันเกิดอารมณ์พวกนั้นขึ้นมาใหม่นะอาการพวกนั้นขึ้นมาใหม่เราก็ดูมันนะดูมันนะเช่นสมมติได้กินอาหารอร่อยอ่าอ่ ะ, อะ ขณะที่ลิ้นกระทบกับอาหารเน่เราก็รู้สึกตัวแล้วนะใจมันรู้สึกชอบ่ะอร่อยนะเราก็ตามรู้ใจที่มันชอบมันอร่อยตรงนั่นแหละนะแต่ไม่ใช่ไปอยู่ในความชอบความอร่อยนะเห็นมันเห็นมันชอบเห็นมันอร่อยนะมันก็จะไม่ติดนะหรือมันไม่ชอบมันไม่อร่อยเราก็เห็นมันะมันก็ไม่ติดคือเห็นมันแบบ มันเป็นแบบไหนเราก็เห็นแบบนั้นแหละนะดูไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยๆนะนะมันจะคิดวิพากษ์วิจารณ์ก็เห็นมันนะเห็นจิตมันคิดวิพากษ์วิจารณ์ของมันเองอลไนะเห็นจิตมันชอบมันไม่ชอบของมันเองนะอันนี้คือเราจะฝึกให้เห็นอ๋อไม่แต่กายเองมันก็เป็นของมันเองนะนะมันจะปวดมันจะเมื่อยก็เป็นของมันเองนะมันจะหายก็หายของมันเองนะ เใจก็เหมือนกันมันก็เกิดดับทั้งนั้นเลยนะอันนี้ถ้าเราดูแบบดูแบบเจริญสติจริงๆนะไม่ต้องทําอะไรนะดูมันเฉยๆนะรู้เฉยๆนะอันนี้คือมันก็ถ้าเราจะฝึกแบบเนี้ยมันเราก็ต้องเข้าใจนะบางทีไม่ต้องไปสอนอะไรมันมากไม่ต้องไปคิดพิจารณามันมากนะเออ เดี๋ยวมันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ดับไปอันนี้อนนี้ก็ใช้ความคิดนะนะมันเป็นเรียกว่าจินตาจินตาเมญะปัญญานะยังไม่ใช่ภาวนาเมญะปัญญานะเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปนะหรืออะไรก็ไม่เที่ยงนล้วทั้งนั้นแหละอะไรก็ไม่ใช่ตัวตนอะไรก็เป็นทุกข์ทั้งนั้นนะถ้าเราไปคิดน้อมเข้ามานะ่ะเอาไว้เฉพาะตอนที่มันเอาไว้แก้อารมณ์ เอาไว้ตอนที่มันหนักจริงจริงนะไม่ไหวจริงจริงก็เอามากแก้นะหรือนอกจากแบบภาวนาไปแล้วมันตื้อมันนิ่งมันอะไรเลยนะ <S <S <Holiday> เราก็คิดพิพจารณาน้มให้มันสักหน่อย <S <S แค่นั้นนะเวลาเราจะทำอะไรเนี่ยเราทาเราก็ต้องรู้ว่าเราทำเพราะมันมีเหตุแบบไหนถึงฝึกแบบนี้แบบนี้นะบางทีเราเรียน ธรรมะฟังจากหลายครูบาอาจารย์นะหรือบางทีเราฟังจากซีดีอะไรแบบนี้มันท่านสอนแต่ละคนนะไม่เหมือนกันนะบางทีมันแต่ละขณะที่สอนนะสภาวะคนที่มาเรียนคนที่ฟังอารมณ์ก็เป็นแบบไหนนะหรือขณะที่บางทีท่านก็สอนพื้นฐานบ้างสอนระดับกลางบ้างสอนระดับสูงเป็นปรมัตบ้างบางทีเราจะจับมา ปฏิบัติทั้งหมดเลยก็ไม่ได้นะเราต้องพิจารณาตัวเราเองว่าขนาดนั้นนะ่ะเราปฏิบัติอยู่ในขั้นไหนนะติดอะไรนะจะใช้อะไรมาแก้นะ่จะใช้อะไรมาเจริญให้มันพอบคูุขึ้นเนาะเพราะฉะนั้นนี่แหละนะธรรมะมันมีเยอะมากนะพระพุทธเจ้าก็สอนสอนเยอะมากนะแต่จริงก็นี่แหละ ถ้าเป็นเรื่องการปฏิบัติเนะี่ยท่านก็บอกว่าสมถะและวิปัสนาเนี่ยแหละนะเป็นสิ่งที่อยู่ในหลักของการปฏิบัตินะไม่ใช่สมถะผิดนะไม่ผิดนะถูกนะแต่มันกนะ็เอาไว้ใช้ในบางสภาวะนะในบางสภาวะนะที่เรานะจิตมันถูกนิวรณธรรมนะครอบงำมากนะ เราก็ใช้หลักของสมถะมาแก้ในบอลนะแต่ในขั้นจะเดินปัญญาแล้วเนะี่ยเราใช้การเจริญสตินะ่ะเป็นการเป็นการฝึกให้จิตมันเห็นสภาวะตามความเป็นจริงนะเห็นกายเคลื่อนไหวนะกายเคลื่อนส่วนหนึ่งใจรู้ส่วนหนึ่งนะกายเป็นทุกข์ปวดเมื่อยส่วนหนึ่งนะใจเป็นผู้ผรู้ผู้เห็นส่วนหนึ่งนะ ใจเมื่อกี้มันคิดแล้วกเกิดใจเมื่อตอนเนี้ยที่มันรู้ว่าเมื่อกี้มันเผลอไปคิดเองนะ่ะใจเมื่อกี้มันเผลอไปวิจารณ์นะเกิดใจนี้รู้ว่ามันไปวิจาร์ละเนะี่ยใจมันเห็นว่าอันนี้ทุขเออก็เห็นมันสุขนะเห็นอันนี้ทุกข์นะก็ไม่ไปอยู่ในทุกข์อนะไรน่ะคือมันจะเป็นขั้นที่มันถอนออกมาแยกออกมา ขั้นวิปัสนาคือขั้นฝึกให้มันเกิดการแยกนะแยกขันนะแยกพูดง่ายก็คือแยกขันนะนะั่นแหละขันห้านั่นนะนะตอนแนกก็เริ่มแยกสองส่วนนะระหว่างรูปกับนามนะเห็นรูปเห็นนามนะต่อไปก็จะแยกนะเป็นขันห้าได้อ๋ออาการของรูปนะก็แบบนี้แหละนะแต่อาการของนามนี่ยก็อู้มีอีกนะทั้งว่าสี่อาการนะ เนะวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะมันก็แยกของมันไปอิจนะเราก็จะเห็นโอมันก็เป็นมันก็เป็นอาการของขันเท่านั้นนะที่มันแสดงนะนะคงดีก็ดีคงไม่ดีก็ดีก็อาการของมันเท่านั้นเลยนะจิตก็จะแยกออกมานะเป็นผู้รู้ผู้ดูนะแต่ก็อย่างว่านะคือเราอย่าไปอย่าไปแบบ ไปคิดว่าจะต้องเอาจิตไปไว้ที่ตรงไหนน่ะน่ะเช่นเอาจิตไปไว้ในที่ว่างๆน่ะอันนั้นเป็นสมมาตรนะน่ะเอาจิตมาไว้ในที่ว่างๆหรือบางทีเราคิดว่าเอาจิตมาไว้ตรงกลางๆนะเอาไว้ดูนะตรงตรงกลางๆก็ไม่ใช่น่ะมันไปแทรแคงจิตนะแต่จิตมันไปอยู่ตรงไหนเรารู้ว่ามันอยู่ตรงนั้นเน่ะอันนี้คือแค่นี้พอละ ไม่ต้องไปดูซ้อนไอ้ตัวดูอีกทีหนึ่งก็ได้นะจบแค่ดูนั่นแหละนะดูไม่ต้องไปหาว่าจิตมันอยู่ตรงไหนด้วยนะหมายถึงว่าไอ้ตัวดูะนะตัวรู้อ่ะไม่ต้องไปคอยเที่ยวดูไอ้ตัวดูมันอยู่ตรงไหนมันจะไปซ้อนดูอีกทีหนึงนะ่งยังไม่ต้องนะไม่ต้องทําแบบนั้นให้เราเพียงแค่ดูว่านะ ดูร่างกายนะดูร่างกายเขาทำดูร่างกายก็เป็นทุกข์นะมีจิตเป็นผู้ดูนะดูจิตเมื่อกี้ที่มันหลงนะมันจะหลงไปอะไรก็แล้วแต่ก็มีสติเป็นผู้ดูอีกทีหนึ่งนะนะก็ดูแบบนี้นไปเรื่อยๆนะนี่คือขั้นเรียกว่าเราเจะเดิสตินะเดินะสติเพื่อให้เห็นนะเห็นเห็นรูปเห็นนามนะเห็นรูปเห็นนามแยกรูปแยกนามนะ เห็นอาการของรูปอาการของนามนะเห็นโรคของรูปโรคนามนะเห็นทุกนทุกของรูปทุกของนามนเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยแหละที่จริงมันก็แยกๆไปอย่างนั้นแหละนะแต่จริงมันจะเกิดอาการแบบไหนเราเห็นแบบไหนก็ก็ถือว่าถูกเหมือนกันนั่นแหละนะแต่ต้องฝึกเป็นผู้เป็นการแยกแยกน่ะ อาการส่วนหนึ่งนะตัวรู้ส่วนหนึ่งอะไรเนะี้ยคือเห็นแบบนี้นไปเรื่อยนะแต่ละอาการมันอาจจะแสดงบางอย่างแตกต่างกันนะ่ะแสดงความเป็นทุกข์นะเนะี่ยเรียกว่าเห็นทุกข์นะโลกทุกข์นามทุกข์นะรูปทุกข์นามทุกข์เนะี้ยมันก็เห็นแบบนี้นนะรูปโรกนามโลกนะเนะี่ยโลกก็คืออะไรก็คือกิเลสนนะั่นแหละ โรคโกดลงนั่นแหละนะเราก็เรียกเป็นเท่ๆไปว่าเป็นโรคเลยนะ ก, ก็ก็คือมันก็แล้วแต่ว่าสภาวณนะั้นมันเห็นชาติตรงไหนนะมันมันก็เป็นอาการแตกต่างไปแต่จริงไม่ต้องไปคล้ายๆไปคิดเอาทฤษฎีมาจับมากก็ได้นะแต่เพียงแต่ว่าแค่บอกเออให้ฝึกแยกนะฝึกแยกนะนะอาการส่วนหนึ่งนะผู้รู้ส่วนหนึ่งนะ ฝึกให้ดูให้รู้แบบเนี้ยไปเรื่อยๆนะทำแบบสบายๆนะทำแบบอย่าไปจริงจังมันมากนะหลงไปบ้างไม่เป็นไรก็ก็รู้ว่ามันหลงนะรู้ว่ามันหลงเนี่ยก็ถูกแล้วนะเ้วก็แค่ฝึกให้มันรู้ตัวบ่อยๆนะวันทั้งวันนยตื่นจนหลับนะฝึกรู้บ่อยๆนะรู้สึก รู้สึกเหมือนคล้ายๆเหมือนมนเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาเฉยๆนี่แหละนะไม่ได้ให้ค่าไม่ให้ราคาอะไรกับมันมากหรอกก็แค่ดูว่ามันเกิดขึ้นแล้วนะเนี่ยคือเราก็ดูมันไปนะสภาวะดีก็ตามนะก็อย่าไปดึงยึดเอานะไม่ดีก็ตามก็ไม่ต้องไปผักใส่เขานะ นี่คือใจมันจะเป็นกลางมากขึ้นนะสภาวะรู้ซืๆๆนะ่อรู้ซื่อเนี่ยแหละนะมันเป็นสิ่งที่ถ้าเราฝึกบ่อยๆมันก็จิตมันจะซืนะ่อจิตจะเป็นกลางนะก็ฝึกจากจิตที่เห็นว่าจิตมันไม่เป็นกลาง น, ะนะนะั่นแหละมันจะทำให้เกิดจิตที่รู้ซื่อขึ้นมา แต่ถ้าเราอันนี้เราชอบอันนี้เราไม่ชอบเนี่ยมันจะไม่ซื้อละอืมแต่ถ้าเรารู้ทันในทีเอ้จิตมันคิดชอบจิตมันคิดไม่ชอบเนี่ยมันจะกลับมาซื้อของมันอีกทีหนึ่งนะอืในการรู้เท่าทันแต่ถ้าเราไปไม่รู้เท่าทันเราจะเราจะไปอยู่ในอารมณ์ชอบอารมณ์ไม่ชอบอันนี้คือมันมันจะเห็นตอนแรกว่าอันนี้มันเกิดอะไรนะแต่พอไปติด ความชอบความไม่ชอบเนี่ยก็คือลงละมันยากตรง น, นี้แหละบางทีกิเลสนะมันมาชวนอันนี้เราชอบอันนี้เราไม่ชอบอันนี้ดีอันนี้ไม่ดี น, นี้เอาอันนี้ไม่เอาเนะี่ยมันมาแพ้ตรง น, นี้แหละนะตอนแรกก็รู้นะแต่ตอนหลังก็ลงไปกับมันนะแต่เราก็ต้องฝึกให้มันนะเห็นมันอีกทีนึงนะถอนมันอีกทีหนึง่งคล้ายๆถ้าเหมือนเล่นเกมนะด่านแรกนะ ผ่านได้นะแต่มา เ, เจอด่านที่สองนะนะนะความชอบความไม่ชอบนะความสุขความทุกขนะ์เนี่ยมาติดเลยติดตรงนี้แหละนะติดสุขนะ่ะเกียดทุกข์นะคนส่วนใหญ่นะติดสุขเกียดทุกข์นะผ่านตอนนี้ไม่เคอยออกนะติดชอบติดชังเนะี่ยผ่านตอนนี้ไม่เคอยออกนะเราก็ต้องเหมือนเด้งเครื่องสักหน่อยนะมันเหมือนคล้ายๆเหมือนรดขึ้นเขานะ ต้องเด้งเครื่องออกมาจากความชอบความไม่ชอบนะโดยการเห็นมันอีกทีหนึ่งนะมันถึงจะพ้นมันได้นะอ่ะก็ฝ า, ากไว้แค่นี้ครับ